นอบน้อมต่อคุณพระตรนัตไตรโอกาสพระารพารพ อ, อาจารย์ภพศสารหลวงพ่อกรมอาจารย์ยูกิเพื่อนสัทธมิตทุกท่านจเจริญธรรมแมชีและญาติธรรมทุกท่านหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมจากกัปปนาสูตรซึ่งมีหัวใจสำคัญว่าให้ละความสุดต่งสองข้างก็คือการมาสุขะและการนุยโย อัตะกิลมถานุโยคจะแสดงหัวใจหลักคืออริยสัจสี่และกิจในอริยสัจสี่กิจก็คือสิ่งที่ต้องทำในอริยสัจสี่ก็คือทุกข์เป็นสิ่งต้องรู้สมุทัยเป็นสิ่งต้องละนิโรธเป็นสิ่งต้องทำให้แจ้งมรรคเป็นสิ่งต้องทำให้เกิดหลังจากที่แสดงจบแล้วก็พระอัญญาโคนัญญาก็เกิดดวงตาเห็นธรรม ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วตรงนี้ก็เลยทาให้ท่านบรรลุเป็นทาโสดาบันหลังจากนั้น อ, อ, อีกสี่องค์ก็ได้ค่อยๆบรรลุเป็นพระโสดาบันตามมาตามลาดับในวันต่างๆแต่ว่ายังไม่มีใครบรรลุเป็นพระหัน จนทางพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอนัตตลักนัสูตรเมื่อทรงแสดงจบแล้วปัญญวคีตห้าก็บรรลุเป็นพระรหันต์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่ท่านบรรลุเป็นพระรหันต์จากการฟังอนัตตลักนัสูตรนั้นจึงมีความสําคัญที่เราชาวพุทธจะต้องมาทําความเข้าใจในประสูตรนี้ว่ามีความสําคัญอย่างไร เพระไปเป็นการก่อให้เกิดพระรหันตาใหม่อีามมาอกหาองค์หลังจากที่มีพระหันองค์แรกคือพระเจ้าแล้วมีเนื้อความที่โดยย่ออย่างนี้ว่าอาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารมิ ญ, ญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่า เป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือถ้าจะตามเห็นว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามเห็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าแล้วก็ทรงแยกย่อยออกไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละตัวแต่ละตัวว่ามีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาไม่ใช่ตัวไม่ตนอย่างไร นะหลังจากเมื่อแยกย่อยไปแล้วนะก็เกิดนะดวงตาเห็นธรรมในปัญจวัคีก็บรรลุปเป็นผลานทั้งหมดนะคำว่ารูปก็คือนะกายนั่นเองนะร่างกายนี่แหละคือรูปนะส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตใจหรือนามนะครัน้นี้เมื่อมารวมกันกนะ็กลายเป็นรูปเป็นนามนะ อันนี้ถ้าเราอาจจะเคยฟังที่ครูบาอาจารย์หรือลหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคเขียนแล้วก็พูดได้บ่อยว่าเห็นรูปเห็นนามไหมตรงนี้ก็เป็นการที่เรียกว่าเราเห็นว่ามันจ ร, จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่กายหรือใจของเราแต่มันเป็นแค่รูปแค่นามเท่านั้นเองเพราะคํานี้มันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นปรมัตร์ส่วนอกายหรือใจอันนั้นเป็นเพียงสมมุติเท่านั้น นะพาะเมื่อถึงระดับหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าเออจริงๆแล้วก็ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจแต่เป็นแค่รูปแค่นามเพราะฉะนั้นรูปและนามมันก็จึงเป็นอีกสภาวะหนึ่งที่เราไม่ไปยึดติดว่าเป็นกายหรือใจของเราครนะนี้นะ่ะสิ่งสาคัญก็คือความที่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นหน้ า, านั้นสิ่งนี้เป็นสัจธรรมนะ ก็คือไม่ใช่ว่าเฉพาะชาวพุทธเท่านั้นนะที่ว่าสามารถเห็นธรรมในตรงนี้ได้แต่จริงๆแล้วในทุกๆศาสนาไม่ว่าใครจะนับถือศาสนาใดๆเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ชายผู้หญิงต่างคนต่างก็อยู่ในกฎของปไตยลักทั้งหมดไม่มีใครหนีพ้นนะเป็นกฎที่เรียกว่าเป็นของจริงเป็นสัจธรรมของโลกนี่ก็ว่าได้แต่ว่าไม่มีใครค้นพบมาก่อน เพราะนั้นเมื่อคนตรงนี้ไม่พบก็จะมีความทุกข์ในสภาวะที่มันไม่เที่ยงเป็นความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะไม่รู้มันคือภไตรักแต่เราก็อยู่กับสิ่งเหล่านั้นมาตลอดในความไม่เที่ยงนี่นแหละตั้งแต่สมัยบรรพ ก, กาลมาแล้วก็มีแต่ความไม่เที่ยงมาตลอดไม่เคยมีสิ่งใดที่จะเป็นความเที่ยงเลย จนมีการกล่าวว่าสิ่งนิดเที่ยงก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองตรงนี้เราก็สามารถพิสูจน์ได้โดยตัวเราเองตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจของเราร่างกายขอยงเรานี่ก็เปลี่ยนแปลงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะจากการที่เราเมื่อก่อนเป็นเด็กนะเราก็มาเป็นผู้ใหญ่ล้วก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุจากเนื้อหนังที่ตึงก็กลายเป็นหย่อน อจากตาที่ดีก็กลายเป็นสายตาสั้นหรือยาวอจากหูที่ปกติก็กลายเป็นหูตึงนะสิ่งเหล่านี้ยมันก็ได้แสดงในตัวเราอยู่แล้วนะหรือสิ่งที่แวดล้อมเราทุกอย่างก็ไม่มีสิ่งใดที่แสดงความเที่ยงเลยแม้แต่อย่างเดียวนะตรงนี้ก็คือสัจธรรมซึ่งเราจริงๆแล้วเราก็ควรจะเห็นแต่ว่าเราก็เมาไม่เห็นไป แต่มีครูบาอาจารย์องค์สำคัญองค์หนึง่งก็คื อ, อหลวงปู่ชาสุภโต ท, ท่านก็จะเน้นในเรื่องความไม่เที่ยงนี่แทบจะตลอดท่านจะบอกว่าไม่แน่ทุกอย่างก็ไม่แน่นะไม่แน่ทั้งหมดท่านจะท่านมีเคนการเคยสรุปโดยตัวท่านเอง <c oughs> เอาไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่าที่ท่านไปบัตรธรรมมาต้องนานมากเนี่ยท่านสามารถสรุปได้ตรงนี้เลยว่า ทุกอย่างมันไม่แน่นะท่านเหมือนก็จะใช้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในการทีいい่จะเป็นการสรุปท่านเลยว่า hmm. ม the ันไม่ไม่แน่ท่านสอลูก anyway, ส mm. yeah. ิทธิ์ก็จะใช้คําว่าเออให้เห็นความไม่แน่น่หรือนึกว่ามันไม่แน่ทุกอย่างมันไม่แน่อยู่มันไม่แน่มันก็เป็นสิ่งที่ต้องประจำใจว่าเมื่อเห็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่นะไม่ว่าสิ่งนั้นจะสวยงามมันก็คือความไม่แน่อ่ะสิ่งนั้นจะดีมันก็ไม่แน่ทุกๆอย่างนะที่เรากระทบ ทางตาหูจมลินกายใจทุกอย่างมันก็คือความไม่แน่ทั้งหมดนะจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็ได้เข้ามาในตัวเมืองแล้วก็ได้ยินอเพลงเพลงหนึ่งนะเป็นเพลงที่เก่าแล้วนะแล้วก็จะมีส้อยอนะ่มีส้อยว่ามันบอแน่ดอกนายนะก็คือร้องในเรื่องต่างๆแล้วก็จะสูะรุ้ว่ามันบอลแน่ดอกนายนะพระทรีได้ยินเพลงนี้ท่านบอกว่าเออเพลงนี้ดีมากเป็น อันนี้ยเป็นเพลงที่ดีนะเป็นเพลงที่แสดงถึงศัจธรรมอย่างหนึ่งว่าเพลงเนี่้เป็นการกล่าวถึงความไม่แน่ไม่นอนนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราเห็นแค่ความไม่แน่นี้จิตเราก็จะเกิดความเข้าใจนะถึงสภาวะธรรมจริงๆว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะมันมีความไม่แน่เนี่ยเราก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ที่สุดจากการที่เราแค่เห็นความไม่เที่ยงนี้เท่านั้นเองนะ ต่อมาก็เป็นความทุกข์ความทุกข์ก็เป็นสภาวะหนึ่งที่มันจะคงอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้เมื่อมันคงในสภาวะเดิมไม่ได้นั่นแหละก็คือความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะอร่างกายจิตใจเราก็เช่นกันมันคงในสภาวะเดิมไม่ได้เลยมันต้องมีการที่เรียกว่าต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะอเช่นเรานั่งเนี่ยประเดี๋ยวเราก็ต้องลุกขึ้นมาเดินมายืนมานอนเราจะทนในสภาวะเดิมไม่ได้ เพราะนั้นก็จึงกล่าวได้ว่าอิลิบทเนี่ยปิดบังทุกข์เพราะความที่เราทนอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้เลยจึงต้องเปลี่ยนแต่ว่าเราไม่เคยที่จะรู้เลยว่าเราเปลี่ยนเพราะเหตุอะไรเปลี่ยนเพราะความที่เราต้องแก้ทุกข์นั่นเองนะเราจึงต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนี่คือสภาวะหนึ่งนะแล้วความทุกข์ก็คือความทุกข์กายและทุกข์ใจที่เราสามารถเห็นในตรงนี้ได้ไหม ที่เราทําวัดเมื่อสักครู่นี้ก็กล่าวไว้ว่าชาติพิทุกขาชรลาปิทุกขามรณะปิทุกขังความเกิดความแก่และความตายก็เป็นความทุกขโสกะปริเทวัตุกระทมนาสุปายาสาปิตุขาความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ว่าโดยอุปทานขันทังห้าเป็นตัวทุกข์อันนี้ก็คือความทุกข์มันก็เกิดกับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราไปเห็นในตรงนี้ไหมจนพระพุทธเจ้าก็มีคำกล่าวไว้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือสภาวะภายนอกก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกเท่านั้นตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปอันนี้ก็คือความจริงนะความจริงแท้เลยนะเพราะทุกอย่างมันก็คือตัวทุกข์ทั้งนั้นแม้แต่ความสุขก็คือความทุกข์เพราะความสุขก็คือความไม่เที่ยงนั่นแหละสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อย่างที่ได้ถามปาราจญ์วคีย์ไว้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าะ เพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจในสภาวะความเป็นทุกข์นี้ก็จะดิ้นรนที่จะออกจากความทุกข์แต่ถ้าผู้ใดที่ไม่เห็นทุกข์ในชีวิตแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ยากจนลําบากยากแค้นขนาดไหนเขาก็ไม่ดิ้นรนที่จออกจากความทุกข์แต่ผู้ใดที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินมีความสุขสบายร่ํารวยมีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันเขาเห็นความทุกข์เขาก็ดิ้นรนออกจากความทุกข์ เพราะนั้นจึงไม่ได้เกี่ยวกับว่าผู้ใดยากจนหรือร่ารวยแต่อยู่ที่ว่าเขาเห็นความทุกไหมเมื่อคนที่เห็นความทุกข์ก็ต้องดิน้นรนออกจากความทุกข์และความทุกข์นั้นก็คือความที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปในภพชาตินับไม่ถ้วนเพราะตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่แม้แต่เพียงเล็กน้อยนั่นแหละก็คือความทุกข์ความทุกข์นั้นเปรียบเสมือนกับว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์ ที่สามารถที่จะนําไปอกําเนิดใหม่เป็นต้นไม้ใหญ่โตได้แม้จะเล็กนิดเดียวเมื่อลงไปในดินเมื่อไห่เขาต้โตขึ้นมาเมานั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีกิเลสในใจซึ่งเป็นความทุกข์ยังลงไปในภพชาติใดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ได้ฉานเปตอสุรกายสันนลบหรือเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมนั่นแหละคือเนื้อดินที่จิตของเราเป็นเชื้อที่จะไปเกิดใหม่อย่างแน่นอน แม้ว่าเราจะสร้างความดีนั่นก็คือเป็นเชื้อเช่นกันเพราะความดีนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะว่าเป็นการที่เราสร้างภพใหม่นั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นพรหมเพราะนั้นพระเจ้าก็เลยทรงชี้เห็นความทุกข์นี่อย่างชัดเจนถ้าเราไม่เห็นทุกข์ส่วนหนึ่งก็คือเราจะไม่มาปฏิบัติธรรมเพราะว่าเมื่อก่อนนะก็เคยชวนคนที่รู้จักบอกว่าเออมาปฏิบัติธรรมมันก็ดีนะก็บอกปฏิบัติธรรมเราดีอย่างไร ก็าบอกว่าอาดีก็คือความทุกข์เราจะน้อยลงเขาบอกว่าเขาไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยเขาไม่มาปฏิบัติธรรมหรอกอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเขาอาจจะเห็นแต่ว่าเขาก็ไม่อยากที่จะไปอเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นนะเพราะว่าเขาคิดว่าการปฏิบัติธรรมนี้จริงๆมันก็เป็นความทุกข์ยิ่งบาตที่เขาเป็นอยู่แล้วนะอันนี้จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นทุกข์ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ยอมรับความจริง ทุกๆคนจริงๆแล้วเห็นทุกข์แต่ว่าไม่ยอมรับเมื่อไม่ยอมรับเขาจึงกบเกื อ, อ่อนมีการแก้ตัวต่างๆเพื่อที่จะไม่ยอมรับความทุกข์จากการประบัติธรรมที่เกิดขึ้นทั้งๆที่เขาก็รู้ว่ามันดีอัอนนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนกับหนอนอที่อยู่ในมูดในคูดเขาก็มีความสุขจากการดื่มกินมูดคูดนั้นแต่ว่าเขาก็ ไม่ดิ้นรนออกจากมูดคูนนั้นเพราะว่าเขาก็มีความสุขแต่ถ้าคนที่มีดวงตาอที่กระจ่างแล้วก็เห็นว่าเออมันก็คือมูดคือคูนแล้วเราจะไปอยู่กับเขาทําไมะเราก็ต้องดิ้นรนออกมาจากมูดคูนนั้นหรือเปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือพระเจ้าก็เลยทรงแสดงไว้อย่างนี้ว่าโลกนี้เปรียบเสมือนราชลอดอันมีจิตอันคุนเข่าหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม นะเพราะฉะนั้นคนเข่าก็จริงๆเขาไม่เป็นคนโง่นะแต่ว่าคนเป็นคนที่เขากบเกลื่อนนะกบเกลื่อนก็คือเขาก็อยู่กับความทุกข์นั่นแหละอนะอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงผลทพา ธ, ธรมมลมนะซึ่งเขาก็มีความสุขไปวันๆหนึง่งนะแต่เขาคิดว่านั่นก็คือความที่เขาพอใจในตรงนั้นแล้วนะเปรียบสเสมือนเขาก็พอใจเป็นการหมกอยู่นะในความทุกข์เหล่านั้น แต่ผู้รู้ก็เห็นว่าเออจริงๆแล้วแม้แต่ความสุขมันก็คือความทุกข์นั่นเองะเขาก็ต้องดิ้นรนออกมานะอันเรียกว่าอผู้รู้หาข้องอยู่ไมนะ่ก็คือความไม่ติดอยู่ในสภาวะกามาตัญหานั่นเองนะก็คือตัญหาตัวหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าเอออย่าไปเพลิดเพลินในรูปรดกลิ่นเสียงผทพธัตุธรรมลมเมื่อเพลิดเพลินแล้วก็จะมีการเกิดใหม่นะเพราะว่ามันก็คือตัญหาที่เป็นเชื้อให้เกิดใหม่นะเมื่อเกิดเพลิดเพลินก็คือนันที่ราคะแล้ว มันก็นั่นแหละก็คือเป็นเหตุให้เกิดภพเกิดชาติเกิดชรลามรณะทุกขกโทมานต์อีกมากมายนะเพราะนั้นผู้รู้ก็จึงหาข้องอยู่ไมนะ่อันนี้ก็เป็นเหตุผลสําคัญที่พระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็มีความสุขกว่าเราตั้งเยอะแต่ท่านก็ยังออกมาจากตรงนั้นนะมาสู่นะสแสวงหาในความพ้นทุกข์อีกครั้งหนึ่งนะ เพราะนั้นใครที่เห็นทุกข์จริงๆแล้วก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เหมือนกันนะก็คือพระไตรักษณ์นี้เพียงแต่เข้าใจอย่างแท้จริงเกิดการยอมรับอย่างแท้จริงแม้แต่ตัวใดตัวหนึ่งเช่นทุกข์สมุทยัยเช่นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นนักตาก็ว่าใดตัวหนึ่งให้เราเข้าใจจริงๆแล้วจิตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายได้เองและหลังจากนั้นก็คือสภาวะธรรม ที่ถือว่าเป็นการสุดยอดในปูษนาก็คือความเป็นอนัตตาเพราจริงๆแล้วความไม่เที่ยงหรือทุกข์เนี่ยจริงๆก็คนใครๆก็สามารถเห็นได้แม้แต่สัตว์อื่นเขาก็เห็นตรงตรงนี้ได้แต่ความเป็นอนัตตานี้ส่วนมากก็จะไม่เห็นนะก็จะเห็นแต่ความเป็นอัตตาเท่านั้นเองในความเป็นตัวกเป็นตนของเรานี่แหละชัดเจนนะว่าเออมันก็ทุกอย่างมันคือตัวตนของเราแล้วมันตรงไหนไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราเราก็บังคับเขาได้นะ ให้เขาทำตามเราต้องการได้ทั้งหมดเราจะเดินไปไหนจะไปเที่ยวไหนจะดื่มอะไรจะกินอะไรจะยกมายกมือเราก็ทำได้หมดแต่การที่เราเคลื่อนไหวตัวตนนั้นนะจริงๆแล้วไอ้กายมันก็อยู่ส่วนกายนะจิตมันก็อยู่ส่วนจิตถ้ากายนี้เ ป, ป็นอวมพาดไปเราจะให้เขาเคลื่อนไหวได้ไหมแสดงว่าเราบังคับเขาไม่ได้จริงๆนะอันนี้เป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่ เราเห็นได้ชัดเจนนะบางทีเรานั่งช้าๆในขาแล้วก็ถ้าจะขยับไม่ได้อยู่แล้วนะเรความเป็นกายนี่อนะจริงๆแล้วเราก็เข้าใจาอยู่แล้วว่าเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยก็ต้องโดนไปเผาไปฝังบ้างนะหรือว่าเป็นไปเป็นอาจารย์ใหญ่นะถ้าในขณะนั้นแล้วเรายังมีความรู้สึกอยู่แล้วมันจะทรมานขนาดไหนเวลาที่โดนเผาโดนฝัง นะมันก็รู้แล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างแท้จริงนะกายนี่แหละจริงๆแล้วเขาก็ทำงานของเขาเองนะหัวใจก็สูบฉีดโลหิตเองกรนะเพาะอาหารเรากินเข้าไปแล้วเขาก็สามารถที่ย่อยเองนะหายใจเขาก็หายใจเองเส้นเลือดต่างๆเขาก็ทำงานเขาเองนะเราบังคับเขาไม่ได้เลยคันะนี้ความเป็นกายเนะี่ยจริงๆแล้วก็เห็นได้ง่ายนะนะ ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ของเราจริงๆนะเพราะว่าให้ที่เราขยับไม้ขยับมือหรือเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนเนี่ยมันเกิดจากจิตที่เขาสั่งนะถ้าจิตไม่สั่ง mm hmm. เขาไม่ทําเพราะมันตรงนี้มันก็เลยเห็นชัดใกล้ใกล้เมื่อยู่ส่วนกายจิตมันก็อยู่ส่วนจิตถ้าตามใดได้จิตไม่สั่งอ่าเขาก็ไม่ทํางานแน่นอนนะแต่เขาทางานเขาทํางานของเขาเองแล้วไม่ได้ไปสั่งเขาหายใจเขาหายใจเองอยู่แล้วอ่าหรือหัวใจจะเต้นเขาเต้น Using. ของเขาเองอยู่แล้ว แต่ว่าคนเราส่วนมากก็ยังเข้าใจว่าจิตเป็นของเราอยู่นะชาวผู้ส่วนใหญ่เก้าสบเก้าเปอร์เซ็นอาจจะเข้าใจว่าจิตเป็นของเราอยู่นะเพราะจิตนี้จะมองเห็นยากนิดนึงว่าเออมันไม่ใช่ของเราตรงไหนนะแต่พระเจ้าทรงพูดไว้ชัดเจนในตรงนี้แล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้ท่านยืนยันไว้แล้วแต่เราสามารถที่จะเข้ามาเห็นในตรงนี้และยอมรับในตรงนี้ได้ไหมถ้าเราเข้ามาเห็นและยอมรับในตรงนี้ได้ มันก็ไม่ก็จะวางนะกายและใจได้เร็วขึ้นนะใจนี่ถ้าเราวางปุ๊บเนี่ยเขาก็เราก็จะไม่ทุกข์ในตรงนั้นเลยนะในความเป็นกายและใจนี่แหละความเป็นใจของเรานะเราจะสังเกตได้นะหรือไม่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ทำงานของเขาเองอยู่แล้วนะนะเช่นความคิดเนะี่ยความคิดก็เคยมีคนประเมินไว้ว่าคิดวันละประมาณห้าหมนครั้ง แตความที่เราตั้งใจคิดในห้าห 0,000 ืนครั้งมีสักเท่าใดนะก็คิดว่าคงไม่เกินร้อยครั้งส่วนอีกสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยครั้งอันนั้นก็คือความไม่ตั้งใจคิดความไม่ตั้งใจคิดนั่นแหละก็คือจิตใจเขาทางานของเขาเองเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาในตรงนั้นนะหรือแม้แต่ลมทั้งหลายเราก็รู้อยู่แล้วว่าความโกรธก็เป็นของไม่ดีนะแต่เราบังคับได้ไหมว่าอย่ากโกรธ ม, มันก็เป็นไปตามเหตุตาปัจจัยเหมือนกันมีคนเข้ามาดา่าปั๊บสภาวะทำในสภาวะในจิตใจก็ทํางานทันทีเลยเข้ามาด่าเราเข้ามาว่าเรามันทํางานเข้ามาเองไม่มีตัวเราอยู่มันทํางานเข้ามาเองทันทีเราจะเกิดความไม่พอใจทันทีเลยทั้งทังี้เราก็รู้ว่าเออความปวดมันไม่ดีแต่มันก็เป็นไปตามเหตุตาปัจจัยนะที่หูได้ยินเสียงแล้วมันก็ทํางานอย่างรวดเร็ว นะในการที่จะดึงตัวตนของกูออกมาแลนะมากระทบตัวกูนะมันก็ดึงอนุสัยกิเลสขึ้นมาด้วยนะในความที่เรียกว่านะเราก็ยังมีตรงนั้นอยู่บ้างเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ถูกดึงมาทุกขณะนะเพราะทุทกขณะในขณะนี้ท่านก็ไม่มีความโกรธเพราะมันไม่ถูกดึงขึ้นมาแต่เมื่อใดที่มันเกิดผัสสะในหูก็ดนะีมากระทบให้เกิดตัวกูมันเขย่าขึ้นมาอนุใสมันก็เลยขึ้นใหม่ครั้งหนึ่ง อันนี้จริงๆแล้วเป็นกระบวนการทํางานของสภาวธรรมหรือของจิตใจทั้งนั้นเลยซึ่งมันเกิดจากความที่เรียกว่าไม่ใช่เราไปทําในตรงนั้นนะแต่ว่าเมื่ อ, อจิตใจที่พระเจ้าได้บอกแล้วว่าไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดจากจิตใจเช่นอาการของจิตหรือลมต่างๆเช่นความโกรธมันจึงไม่ใช่ของเราไปด้วยแต่เป็นเรื่องของจิตใจะถ้าเราเห็นตรงนี้ว่าเออมันก็ทํางานเพราะจิตใจ มันทํางานของมันเองนะไม่ใช่เกี่ยวกับเรามันไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เรามันก็จะวางได้เร็วขึ้นนะอ่าอาจจะเรียกว่ามันของมันเองมันทํางานมันเองก็ได้ะถ้าเราเห็นตรงนี้เราก็เออมันก็สามารถที่จะเห็นชัดเลยว่ามันไม่ใช่เรานะอันนี้เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่สามารถพิจารณาได้ไม่ยากคราวนี้จากตรงนี้ก็เคยมีกนักประวัตคนหนึ่งก็ไปถามอาพาคูบาอาจารย์ในภาะอิสานซึ่งมีชื่อเสียงองค์หนึ่ง ในขณะที่ถามนั้นก็มีคนฟังอยู่เป็นจานวนมากแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านเป็นเรื่องของคนข้างบ้านเขาจะนินทาก็เป็นเรื่องของคนข้างบ้านเขาจะกล่าวลายก็เป็นเรื่องคนข้างบ้านเราไม่มีหน้าที่ไปสอนรู้สอนเห็นเรื่องของคนข้างบ้านคนนี้เ็าฟังก็เข้าใจกลาบแต่ไม่มีคนท que, ี 1> <1> ่อื่นคนอื่นฟังไม่มีใครเข้าใจเลยนะ พวกเราคงจะเข้าใจนะว่าเพื่อนบ้านคือใครนะเนี่ยถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วก็คืออาการปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เห็นความจริงในพระไตรลักษณ์นั่นเองนะว่าอ่าเขามีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนันตาอย่างไรนะบางทีเราไปปฏิบัติธรรมเราก็จะเห็นในตรงนี้ได้เออเมื่อวานปฏิบัติดีวันนี้ปฏิบัติไม่ดีนี่เขาก็แสดงความไม่เที่ยงแล้ว เราเดินเราปวดเราเมื่อยเราต้องมานั่งมาม า, มานอนมาพักผ่อนอันนี้ก็กแสดงความทุกข์แล้วเราปฏิบัติธรรมโอความคิดมีมากมายอันนี้ก็เป็นสิ่งเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้อยู่แล้วเมื่อเราบังคับบัญชาไม่ได้เขาก็จึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรามันก็สามารถที่เราจะเข้าใจได้ง่ายแต่เราบังคับบัญชาเขาได้ตลอดเวลานะเออต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาต้องไม่คิดอะไรเลยต้องดีตลอดเวลา นั่นแหละก็คือความเป็นอัตตาตัวตนก็ยังคงอยู่นะเพราะเราจะไม่เข้าใจในสภาวะที่มันเป็นอนัตตาว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้อย่างไรนะเพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจในตรงนี้ได้รวดเร็วเท่าไหร่นะการที่เราจะเข้าถึงธรรมก็เร็วมากขึ้นนะตรงนี้เป็นการเข้าใจโดยสภาวะที่ว่าค่อยๆพัฒนาไปตามลาดับตามลำดับนะส่วนการที่เราจะบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วก็เป็นวิธีการที่เราเข้าไป อ่าปฏิบัติจนต่อเนื่องกันจริงๆนะจนต่อเนื่องกันจริงๆแล้วก็จะเห็นถึงสภาวะทิศมันหลุดมันขาดออกจากกันได้จากการที่มันต่อเนื่องเหล่านั้นมันจะขาดจาก ก, า ก, กันว่ามันจะเกิดสภาวะที่เราจะเห็นความที่ไม่ใช่ตัวในตนเราจริงๆเป็นแค่ความรู้สึกตัวเฉยๆอ่าแล้วมันก็จะขาดออกจากกาันอย่างเด็ดขาดในตรงนั้นได้นะอันนี้เขาเรียกวัรู้ธรรมอย่างฉับพลันอ่าส่วนที่เราค่อยๆอ่าเข้าใจสภาวธรรมอันนี้เขาเรียกว่าบรรลุธรรมตา ม, ตา ม, ตามลําดับ แต่ในที่สุดมันก็คือกับลู้ธรรมเช่นกันนะก็คือความออกจากความทุกข์ความพ้นทุกข์ได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นในอนัตตาลัคนาสูตรนี้จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่ชาวพุทธควรที่จะศึกษาควรที่จะเข้าใจควรจะเรียนรู้แล้วก็ยอมรับในสภาวะความเป็นสัจธรรมนี้เพราะตราบใดที่เราไม่ยอมรับในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาเมื่อไรนั่นแหละเราจะทุกข์ในตรงนั้นเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา หรือแม้ตัวเรามันก็คือความไม่เที่ยงความทุกข์และเป็นอัตตานั่นเองนะก็ขอทุกท่านเข้าถึงธรรมโดยพร้อมเพียงการทุกท่านเถอ